ปงคุณฟุ้งไป ท, งทั้งทั้งที่คุณยังมึนๆคุณเมาๆอยู่นะไม่เพียงแต่คุณคิดไม่ออกเท่านะนั้นนะแต่หัวคุณจะแตกสัมนวนในพรัตยปิฎกเนี่ยหัวจะแตกออกเป็นเจ็ดเสี่ยงสัมนวนในพระไตยปิฎกจะใช้คําว่าเนี่ยถ้าไปคิดเรื่องพวกนี้แล้หัวจะแตกออกเป็นเจ็ดเสียงก็หมายถึงว่าคุณคิดยังไงคุณก็คิดไม่ออกหรอกเรื่องทุกเรื่องเนี่ยนะมีบางกาันบางเรื่องที่เราคิดไม่ออกแต่เราไม่เราไม่ต้องมาทุกข์ก็ได้นะ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 ของพุทธเจ้าอย่างเงี้ยน ะ, ะเรื่องของฌานที่แม่ฌานฌานวิสัยอ ะ, อะไรอีกอจินไตยวิบากบากรรมแล้วอะไรอีกความคิดเรื่องเรื่องโลกนี่แหละโดยเฉพาะโลกรอบตัวเราเนี่ยนะคนเราเนี่ยคือโลกลูกหนึงตัวคนเราเนี่ยคือโลกลูกหนึ่งที่แม่เขาใช้สำเนาว่าอะไร ฮะเขาใช้คำโต้บ้านอะไรกายยาววานาคืบว่างศอกอันมีสัญญาอมีใจเนี่ยใช่ไหมมีสัญญาเนี่ยคือใจเราเนี่ยเนี่ยคือโลกลูกหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยโลกเรานี้แหละเนี่ยโลกก็คือตัวเราแล้วก็เนี่ยโลกเนี่ยที่อยู่รอบๆอบโลกเราเนี่ยนัก็คือคนที่อยู่รอบรอบเรานี่ก็โอ้โหโลกแต่ละลูกหน้าเวียนหัวทั้งนั้นอ่ะ เพราะฉะนั้นแล้วนะบางทีนี่เราเองเราก็พยายามรู้ให้ได้ว่าไอ้ที่วุ่นวายที่สุดก็โลกนี้แหละโดยเฉพาะโลกที่มีคนเนี่ยแหละวุ่นวายที่สุดนะพ่อท่านก็บอกว่าเนี่ย ก, ก, ก็มันคนเนี่ยมันคนใบคนมามันคนใบคนมามันกวนใบกวนมาเนี่ยนะเนี่ยแหละมันทําให้หน้าเวียนหัวมันทําให้หน้าปวดหัว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 นะอันนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ได้บางทีบางเออจะทําให้วางใจได้แล้วมันจะไปถึงข้อต่อไปนะข้อสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเนี่ยใช้อ น, นิจจะสัญญานะเพื่อละอัสมิมานะแมเรื่องนี้สําคัญเลยแหะอ น, นิจจะสัญญาอ น, นิจจังเนี่ยแหละอ น, นิจจะเนี่ยหมายถึงอะไรความไม่เที่ยงนะความ อะไรอ่ะมันแปรปวนนะสัญญาสัญญาก็คืออะไรสัญญานี่คือการกําหนดเนี่ยไอในโลกเนี่ยที่เรากําหนดอะไรต่ออะไรต่างเนี่ยสิ่งที่เราไปกําหนดเนี่ยมันรู้ว่าปสิ่งสมมุติเนี่ยที่คุณกําหนดกําหนดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสิ่งสมมุติทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นอันนี้จะสัญญาเนี่ยนะสัญญาคือการกําหนดมันการกําหนดอะไรต่างในโลกเนี่ยมันไม่เที่ยงทั้งนั้นอนะ่ะแม้แต่ อะไรแม้แต่อะไรแม้แต่ความดีต่างๆที่เรากำหนดว่าอย่างนี้ดีนะอย่างนี้ชั่วนะอะมันยังไม่เที่ยงเลยมันยังไม่เที่ยงเลยนะทั้งดีก็ตามทั้งไม่ดีก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดอย่างนั้นเนี่ยเรายังโอ้โหสัญญาว่าจะเอาอย่างเดียวคือกาหนดเอาไว้ว่าเป็นอย่างนี้เท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นสัญญาไม่ได้ แล้วแม้แต่สัญญาก็พุทธเจ้าใช้คำว่าอะไรสัญญาไม่ใช่สัญญาไม่ใช่สัจจะทําไมมันไม่ใช่สัจจะเพราะมันไม่เที่ยงเพราะสัญญามันไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นมันเลยไม่ใช่สัจจะมันมันตายตัวไม่ได้อ่มันเดี๋ยวมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเดี๋ยวมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเพราะฉนั้นขนาดสัญญาก็ไม่ใช่สัจจะอ่าตอนนี้เราใช้อนิจจะสัญญาเนี่ยคือการ เราใช้การพิจารณาว่าเออไอห น, นุ่ไม่เทียงไอนี่ไม่เที่ยงมันเป็นสมมุติขึ้นมาใช่ไหมเพื่อละอัสมิมานะอัสมิมานะหมายความว่าไงมานะมีอยู่ตัวนะต้องรู้แนะ่มานะแปลว่าอะไรเออความการถือตัวหรือแม้จะแม้แต่การถือดีก็ตามนี่ก็เป็นการถือตัวเหมือนกัน อัสมิมาณะคือการถือว่าเนี่ยเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนี่ของกูอ่ะนะอัสมิเนี่ยนะแปลว่านี้นีของฉันนะอันนี้ต้องเป็นชั้นนะชั้นต้องเป็นนายกนะฉันต้องเป็นหัวหน้าพักนะชั้นต้องเป็นสมณะให้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยชันต้องเป็นอย่างเงี้ยต้องเงี้ยต้องเงี้ยเนี่ยเเรียกว่าอัสมิมาณะคือมันยึดเป็น จะเข้าจะของยึดว่าต้องมีอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นคนเราส่วนใหญ่ที่ยังมีกิเลสอยู่มีตัวนี้ทั้งสิ้นทุกคนทุกคนไม่เว้นเลยถ้ายังมีกิเลสอยู่เพราะมันจะยึดเป็นจะเข้าจะของและตัวนี้แหละที่ทำให้คนเราเนี่ยทุกมากอยู่ทุกวันนี้แม้แต่ไล่ไปเลยตั้งแต่ราคะตั้งแต่พยาบาทอ่าแล้วก็ตั้งแต่วิ วิตกก็ตามสามตัวต้นนั้นน่ะจริงๆแล้วอันนั้นก็เป็นคุณว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงอ่ะราคานี่เที่ยงไหมไม่เที่ยงพยาบาทเที่ยงไหมไม่เที่ยงวิตกเที่ยงไหมไม่เที่ยงแล้วเราก็กําหนดกันขึ้นมาใช่ไหมว่าอย่างนี้เรียกว่าราคาอย่างนี้เรียกว่าพยาบาทอย่างนี้เรียกว่าวิตกแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้ตามอะไรตามจิตของเราถ้าจิตเราดีเออก็ไม่เป็น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 เราจะถือศีลอย่างนี้จะทําให้ดีที่สุดเลยเอะนะตลอดพรรษานี้ตลอดปีนี้นะจะทําให้ยอดเยี่ยมที่สุดอ่ะคุณกําหนดขึ้นมาแล้วแต่เดี๋ยวทาใบทำใบไปไง ท, ไป ท, ไป ท, ไปทําใบทำใบทำใบบางทีมันก็เอออารมณ์ดีก็โอ้โหทําได้ดีบางทีบางวันก็ไม่อุปสรรคอะไรเลยเออก็ทําได้ง่ายหน่อย บางวันโอ้โหไอหนุนก็นมาไอหนีก็มานะทั้งมีดทั้งลูกปืนทั้งระเบิดบางทีโยนใส่เข้ามาเงี้ยเพราะฉะนั้นโอ้โหตะบาดชักแย่แล้ววันนี้ไม่ไหวแล้วขอเป็นพรุ่งนี้แล้วกันนะบางทีเนี่ยเริ่มแล้วเพราะฉะนั้นน่ะมันไม่เที่ยงอะมันไม่แน่นอนแต่ถามว่าคุณตั้งจิตให้มันดีเนี่ยดีไหมดี คนที่จะเที่ยงได้แล้วเนี่ยคนที่จะเที่ยงได้นะคนที้ฟังดีๆนะเพราะตอนนี้เราพูดเรื่องไม่เที่ยงใช่ไหมแต่คนที่จะเที่ยงได้เนี่ยจะเที่ยงได้ต่อเมื่ออะไรจิตของคนที่จะเที่ยงได้ที่ไม่มีแปรปวนอีกแล้วจิตบริสุทธิ์บริสุทธิ์ระดับไหนอ่ะเออก็ต้องบริสุทธิ์ในการหมดกิเลสตัวนั้นๆในเรื่องนั้นๆ คุณหมดได้เมื่อไหร่เนี่ยคือศูนย์ไงใช่ไหมพอศูนย์แล้วเนี่ยเอามันจะมีบวกหรือมีลบอะไรเข้ามาได้ไงใช่ไหมเพราะที่จะเที่ยงได้เนี่ยมีแต่ศูนย์ถ้าใครยังมีบวกหรือใครยังมีลบเนี่ยมันไม่เที่ยงหรอกถ้าคุณยังมีบวกหรือคุณยังมีลบอยู่มันไม่เที่ยงมันมีแต่ศูนย์เท่านั้นถึงจะเที่ยงได้หรือถ้าเราใช้ภาษาธรรมะก็คือ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 ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงได้คือแหมเอาเลยเชได้ช่องเปลี่ยนแปลงให้มันเพิ่มขึ้นไ อ, อ้ยังท่าไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงมันหรอกนะเปลี่ยนแปลงนี่หมายถึงว่าทำกิเลสเรื่องนั้นนั้นนะ่ะให้ลดลงแต่ความสำคัญส่วนใหญ่โดยเฉพาะเราไปสมมุติว่าในแง่ราคาเราไปติดใจชอบใจอะไรอนะ่ะคุณก็อยากให้มันเที่ยงในเรื่องนั้นคุณไปชอบออพระเอกพระเอกดาราหนัง หรือนางเอกหนังคนไหนคุณก็จะชอบอยู่เรื่อยอ่ะชอบคนไหนก็จะชอบคนนั้นคนนั้นมาแสดงเรื่องนี้มาไห่ก็โอ้ยดีดีดีชอบดูชอบดูนะไอคนที่เราชอบเราก็จะพยายามยึดมือนเที่ยงตามกิเลสของเราส่วนไอคนไหนไม่ชอบคนนี้นะคนไหนที่เราเกลียดคุณก็จะชอบเที่ยงอย่างเงี้ยฟังดูดีดีนะคือคุณชอบเที่ยงก็คือไอคนที่เราเกลียดเราไม่ชอบเพราะนั้นเราไม่พูดด้วยเราไม่คุยด้วย เราไม่มองส่วนใหญ่จะชอบไปทำเที่ยงโดยกิเลสอย่างนี้พอไปทำให้มันเที่ยงโดยกิเลสอย่างนี้คนนั้นก็เลยหลงผิดจะเข้าใจผิดคิดว่ากิเลสมันเที่ยงคนจำนวนมากในโลกนี้ที่ชอบคิดอย่างนี้แหละว่าอย่างเนี้ยเที่ยงคือกิเลสเนี่ยที่ที่เราชอบอะไรเราก็อยากเอามาอย่างเนี้ยต้องเที่ยง อะไรที่เราไม่ชอบก็เอาออกไปอย่างเงี้ยเที่ยงแล้วอย่างเงี้ยถึงจะเป็นความสุขก็เพราะไปคิดอย่างนี้เนี่ยเขาถึงเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้เพราะเขาก็จะเอาแต่ฉันชอบเอาเข้ามาฉันไม่ชอบเอาออกไปเพราะนั้นบุทุชนเนี่ยคนธรรมดาทั่วไปก็จะทำวนอยู่แต่อย่างนี้วันอยู่อย่างเงี้ยหาศูนย์หรือว่าหาจบไม่ได้เพราะนั้นเขาจะไม่มีวันจบ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 ต่อให้พูดอย่างงี้คุณฟังคุณพอรู้คุณพอเข้าใจแต่พอเดี๋ยวไปทำจริงจริง ก, ก็อย่างที่พันเตติขาท่านพูดถึงถามว่าก๋วยเตี๋ยวกับข้าวกล้องอยังไงมีประโยชน์ดีกวกันข้าวกล้องมีประโยชน์ดีกว่าแต่พอถึงเวลากินกินก๋วยเตี๋ยวนะจะเที่ยงอยู่เลยเห็นหมความรู้มันอีกเรื่องหนึ่ง แต่พอกิเลสเราจะเอากิเลสเที่ยงอยู่เรื่อยทั้งทั้น ท, ที่พอพูดไปแล้วเน่ยบอกรู้กิเลสมันไม่เที่ยงใช่ไหมรู้ว่ากิเลสไม่เที่ยงนะแต่พอคุณ ท, ทําทีไรคุณจะทําตามกิเลสอยู่เรื่อยเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่แก้ตัวเองไม่สําเร็จปรับปรุงตัวเองไม่สําเร็จก็เพราะว่าจะไปให้กิเลสมันเที่ยงอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยทําไมจะต้องอันนี้เอาเข้ามาแก่นะอา น, นิจจาสัญญาเนี่ยทําไมถึง เอาเข้ามาแก้ตัวเออัศบีมานะก็เพราะว่ามันชอบกิเลสคนเราเนี่ยมันชอบไปยึดว่าต้องเอากิเลสแบบนี้ต้องเอากิเลสแบบนี้แนละ้วมันถึงจะเป็นความสุขมันถึงจะเป็นความต้องการของชีวิตนะแล้วเราจะอยู่ได้แบบแหม่สบายเลยนี่แหละมันจะมีอัตตามานะพวกเนี้ยที่จะยึดอย่างนี้อยู่เรื่อยวันคุณเผลอเมื่มอไหร่คุณก็ไปตามอย่างนี้ทุกที รักนะ player, รักสุขเกียดทุกข์รักสุขเกียดทุกข์ก็จะเป็นอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยทั้งๆที่ความเป็นจริงเป็นไงสุขเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงสุขเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงแล้วทุกข์อ่ะเที่ยงหรือไม่เที่ยงฮะทุกข์นี่เที่ยงหรือไม่เที่ยงฮะ ลองถามใหมา่อีกทีทุกนี่เที่ยงหรือไม่เที่ยงไหนใครว่าเที่ยงยกมืออา้าวมีใครว่าทุกไม่เที่ยงเนี่ยยกมือเออพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยตรัสรู้อะไรนะพระเจ้าตรัตสรู้ทุกเพราะจริงๆเนี่ยคนเราเกิดมาเนี่ยทุกจริงจริงแล้วทุกเนี่ยเที่ยงนะฟังดูดีๆก่อนนะทุกเนี่ยเที่ยง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 คือดับโดยธรรมชาติไหถึงเอากิเลสโปะเข้ามาแล้วก็มีความสุขแล้วเดี๋ยวก็มาทุกข์ใหม่ไอ้อย่างนี้มันมันยังไม่พ้นทุกจริงอันนี้พ้นทุกปลอมไ อ, อ้นี้ยังไม่ถือว่าทุกดับจริงเพราะันทุกดับจริงๆเนี่ยดับได้แต่ดับได้ถึงที่สุดต่อเมื่อต้องหมดกิเลสเรื่องนั้นๆทุกนั้นถึงจะไม่เที่ยงแล้วพอ ด, ดับทุกที่ไม่เที่ยงนั้นได้เน่ คนนั้นอาถึงได้เข้าสู่สภาวะเที่ยงที่เป็นนิพพานนะพยายามฟังดูดีๆนะฟังไม่ดีจะเมานะ <c oughs> ออยกตัวอย่างอ้ายกตัวอย่างสมมติว่าเราเคยติดขนมเราเคยอร่อยกับขนมสักอย่างหนึ่งขนมอะไรเดียะตอนนี้มีขนมอะไรกล้วย <c oughs> บอดชี <c oughs> อ้าวสมมติว่าชอบกล้วยบอดชี นะปรากฏว่าโอ้โหก็เราชอบอะ่ะใช่ไหมตอนนี้สัญญาของเราเป็นยังไงสัญญาเป็นยังไงนิด จ, จังหรืออนิด จ, จังกับกล้วยบดชีเนี่ยสัญญาเราจะเอาเที่ยงอะ่ะเราจะเอานิด จ, จังเพราะว่าถ้าเรามีกิเลสอยู่เนี่ยเราอยากจะกินอะ่ะนะเห็นมันก็อยากจะกินอยากจะกินอะ่ะแล้วก็อยากจะกินอย่างอร่อยอร่อยด้วยเพราะนั่นเนี่ยเราพยายามจะทําสัญญาของเราให้มันเป็นนิจจัง หรือพูดอีกอย่างหนึง่งถ้ามันเป็นกิเลสเนี่ยนะสัญญาที่เป็นนิจจังและเป็นกิเลสเนี่ยเราเรียกว่าอุปทานเพราะตอนนี้อุปทานที่มีอยู่โอ้โหมันอยากกินมันอยากกินได้กินก็อร่อยเพราะฉะเห็นไม่ได้เห็นกล้วยบัวชีก็อยากกินอยากกินเราต้องกินให้ได้ด้วยถ้าไม่ได้สิ่งที่เราอยากเป็นไงเป็นทุกข์ พไอ้ที่เราต้องการเที่ยงตอนนี้คือเราต้องการเป็นสุขใช่ไหมเพราะเราเราต้องการให้มันมันเที่ยงตรงนี้แต่ความเป็นจริงบางทีปรากฏว่าโอ้โหรถอาหารเข็นมาไม่ถึงเราโดนตัดหน้าไปซะก่อนหมดซะก่อนอย่างเงี้ยโอ้โหแต่เราจิตของเราเนี่ยเราผูกให้มันเที่ยงใช่ไหเราอยากจะกิ น, อ ย, กกนอยากจะกินอยากจะกินเนี่ยแต่คราวนี้มันไม่ได้กินทุกก็เกิดขึ้นเพราะน้ี่เราจะเห็นได้แล้วว่ามันไม่เที่ยง ว่าทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นแต่ถ้าเราฝึกมาเราปฏิบัติมาเราเริ่มเห็นเป็นอนิจจสัญญานนในกล้วยบดชีว่าเออจริงๆมันก็มีทุกข์มันมีโทษภัยมันมีอะไรอย่างที่บอกต้นๆแล้วนะเราติดกล้วยบดชีนี่เหมือนกับอะไรเหมือนกับกิเลส ต, ตัวไหนที่พูดมาแล้วเออเหมือนตัวราคาใช่ไหมจิต ท, ที่มันผู อ้าวตนี้เราก็พิจารณาโอ้โหเห็นโทษเห็นภยัยด้วยบทชีกะทิกินมากก็คอเลสเตอรอลมากอะไรอีกน้ําตาลมากก็เป็นอะไรนะขิมโมโหแล้วก็ทําให้อะไรเกินน้ําตาลเกินเผลอๆเบาหวานอ้าวโอ้นั่นเนี่ยคิดคิดคิดคิ ด, ค ด, คดจนกระทั่งไอ้ความผูกพันความที่เราอยากจะเที่ยงกับมันเนี่ยใช่ไหม มันก็ลดลงลดลงลดลงเนี่ยมันโดนปัญญาของเราที่วิปัสสนาคิดจนกระทั่งไอ้ความที่เราชอบเราอยากจะเที่ยงอันนั้นมันลดลงมันลดลงลดลงลดลงลดลงลงถ้ามันลดลงจนศูนย์ได้นี่แหละถ้ามันลดลงจนศูนย์ได้เพราะเราใช้อนิจจสัญญาเข้าไปฟิจารณาพิจารณานะแล้วก็บอกลายึดเป็นเจ้าเข้าเจ้าของก็ไม่ได้ด้วยนะกลวยบทชี้ เพราะเราสารธนาภโขคีนะมันยึดไม่ได้หรอกมันอาจจะหมดก่อนถึงเราก็ได้เอเพราะฉะนั้นยิ่งเราคลายจิตคลายใจอย่างนี้ออกเราไม่ไปเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมันอ่ะไม่ไปเจ้าเข้าจะขอแม้ว่ามันต้องอร่อยมันต้องติดนะต้องยึดว่าอย่างนั้นอย่างนี้พราะคลายใจอย่างนี้ไปได้กลายไปได้กลายไปได้จนศูนย์ละคนนี้คราวนี้เนี่ยคุณจะได้กินหรือคุณไม่ได้กินไม่มีปัญหา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 เหมือนคนในโลกเนี่ยถ้ายึดถ้าบ้าเงินหรือว่าบ้าอำนาจบ้าลาบยศเสรรเซิญอะไรก็แล้วแต่เขายึดว่าต้องได้สิ่งเหล่านี้แล้วถึงจะเป็นความสุขของเขาเพราะต้องได้มาถึงจะเป็นสุขถ้าไม่ได้เขาก็ทุกแต่คนที่ปลดปล่อยออกไปแล้วลาบยศเสรรเซินนะอำนาจเงินทองฐานะตำแหน่งอะไรไม่สําคัญน่ะไม่จําเป็นไม่ต้องได้ก็ได้ นะไม่ได้มาทําให้ฉันสุขเสรกอะไรเลยนี่นอเพราะนั้นคนนี้ปลดปล่อยอย่างนี้ออกไปได้จิตมันไม่ไปยึดเป็นแเข้าเจ้าของอะไรแล้วใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องสมมุติในโลกนี้อะ่ะไอ้ต่างๆเหล่านี้คนนั้นปล่อยจิตอย่างนี้ออกไปได้ได้สิ่ง น, นั้นมาหรือไม่ได้สิ่ง น, นั้นมาไม่มีผลไม่ทําให้จะต้องมาสุกเสรกอะไรนะมันจะวางใจอย่างเงี้ยได้เพราะนั้นการวางใจอย่างนี้ได้มันก็จะทําให้ ไออะไร อ, ะอ่ะสิ่งต่างๆนะโดยเฉ พ, ออะพาะผู้เจ้าทะามีตัดอย่างนี้ท่านบอกตอนจบว่าหากได้อนิจจสัญญาสำเร็จก็จะเกิดเป็นอนัตตสัญญาเนี่ยถ้าเราใช้อนิจจสัญญาเนี่ยการพิจารณาไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงใ น, นนั้นในนี่คุณพิจารณาไม่เป็นเจ้าข้าเจ้าของเนี่ยนะคุณพิจารณาว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงคุณพิจารณาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยืเนี่ย ถ้าคุณพิจารณาได้สำเร็จจะเกิดอนัตตสัญญาก็คืออนาัตตานั่นเองคื อ, อความไม่เป็นเจ้าข้าจ้าของความหมดตัวหมดตนเนี่ยแหละเนี่ยคุณพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงอันนั้นมันไม่เที่ยงอันนี้แหละแล้วคุณจะหมดตัวตนพอคุณได้อนัตตสัญญาก็คือบรรลุนิพพานได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไวอย่างนี้เลยถ้าคุณหมดตัวตนได้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 ให้ให้เห็นความเป็นจริงของตัวเราเองถ้าพิจารณาได้มันจะทำให้เราเนี่ยเอาไปใช้จริงๆพอเราเอาไปใช้จริงๆนี่นะเรื่องไหนบ้างอะที่เรายังแย่อยู่เนี่ยเอาไปใช้เลยเนี่ยวิธีการต่างๆเนี่ย4หัวข้อนี้เอาไปใช้คุณคุณเอาไปใช้แล้วเนี่ยไปเลือกดูว่าเรื่องนี้เหมาะกับหัวข้อไหนเอาไปใช้แล้วถ้ามันถูกแล้วมันเหมาะกับเรื่องนั้น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 จริงเราต้องการสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ในความต้องการแค่สิ่งไม่กี่อย่างเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็ยังไม่ไปเป็นเจ้าครอบเจ้าของเลยด้วยทุกอย่างนี้คืนสู่ โ, <อ>โลกนี้หมดเราก็เอาอะไรไปไม่ได้นะพราะพอเราคลายใจมาได้ถึงจุดนี้เนี่ยกูจะเป็นมัวโกรธใครอ่ะเสียเวลาทําไมกูจะมัวรักใครกันนะหนาจนหัวปากหัวปั๊มเออ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 มันจะมาทันทีเลยนะมาให้คุณเนี่ยโอ้ยไอ้นี่มันก็ยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะมันก็เดี๋ยวแปรปวนได้เดี๋ยวเปลี่ยนแปลงได้บอกละแม้แต่ความดีก็คุณจะบอกว่าอย่างเงี้ยดีแล้วก็จะเอาแต่อย่างเงี้ยเอาแต่อย่างเงี้ยบางทีอยู่ในหมู่ในกลุ่มนี้แล้วเอา้าเอาแต่อย่างเงี้มันไม่ได้อะ นะบางครั้งมันก็เอาต้องปรับมันต้องเปลี่ยนบ้างต้องแก้ไขบ้างบางอย่างเพื่อที่ให้เป็นไปได้เหมือนกับตัวอย่างที่เคยยกมาเรื่องอน้ําในกลาที่โกซัมพีสูดนะที่แบบว่าพิกสูมาทะเลาะกันนะเพราะเรื่องนิดหน่อยเองนั่นแหละก็ยึดแค่เรื่องนิดหน่อยก็ยึดใช่ไหมยึดเป็นเจ้าเข้าเจ้าของยึดเป็นตัวตนว่าฉันถูกฉันถูกฉันถูก แค่นี้ก็ยึดยึดตนทะเลาะกันก็ได้จนทําสังฆเภททําสงฆ์ให้แตกกันเป็นสองฝ่ายคิดดูเอาก็เนี่ยเน่เนี่ ย, ย, ยความมีมานะความมีตัวตนความมีอัตตาเพราะถ้าเราฝึกปฏิบัติธรรมแล้วเราเข้าใจานี้ได้เนี่ยนมันจะสลายอัตตาพวกนี้สลายมานะพวกนีส้สลายความยึดพวกนี้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นเนี่ยอาตมาบอกได้เลย ตอนนี้ถามใจเราเลยมีไม่ชอบใจใครบ้างเอามองข้างซ้ายมองข้างขวาดูสิมีไม่ชอบใจใครบ้างหรือเปล่านะคราวนี้ก็เริ่มเลยเออเดี๋ยวเอาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มฝึกนะฝึกสลายตัวไม่ชอบใจไม่ใช่ไปฝึกสลายที่เขานะฝึกสลายที่เรานะะฝึกที่ตัวเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเอาที่ตัวเราเนี่ยแหละ หรือบางทีเนี่ยเอา้าไปรักไปผูกพันไครเขาเอาไว้โอ้ไม่ได้หรอกไม่เห็นหน้าวันนี้นอนไม่หลับนะไม่ได้ไม่ได้ไไดอย่างงี่ก็เหมือนกันโหเรารู้ใจเราแล้วโอ้อย่างนี้ต้องหัดนะหัดล้างยังไงล้างลากะด้วยอาสุภาก็แนะไปแล้วนะอาสุภาษใช้ยังไงก็ไปฝึกจนกระทั่งเนี่ยมันสามารถที่จะเอร่างใจลงไปได้ พรถ้าคุณไปทำจริงๆเนี่ยโอ้โหใจคุณจะสบายขึ้นเกลียดใครเราก็ไม่มีนะไปรักใครรักก็ทําให้ทุกข์อีกเหมือนกันใช่ไหมพ่อบอกแล้วไม่เห็นหน้าก็ทุกข์อา้าวไม่ได้ไปพูดคุยด้วยก็ทุกข์อ่ะถ้าไปรักใครอันนี้เราไม่รักก็จริงพ่อท่านใช้คําว่าเราไม่จะไปผูกพันกับใครแต่เรามีสัมพันธ์ใช่ไหมเจอเจอกันได้นี่พูดคุยกก็ได้ แต่จิตเราต่างหากแหละที่มันไม่ไปผูกพันมันมันไม่ไปมีราคาะาจะคุยกันเรื่องธรรมะจะคุยเรื่องการงานจะคุยกันเรื่องอเข็นกลงล้อธรรมจักคุณก็เข็นมาดิผู้ชายก็เข็นสี่ข้างซ้ายผู้หญิงก็เข็นอะไรสี่ข้างขวาอะไรเข็นคนละข้างแล้วกั น, กน <laughs> <laughs> เข็นข้างเดียวกันแล้วมันยุ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเองเราก็ รู้สิ่งเหล่านี้แล้วก็ฝึกพอฝึกแล้วคุณไปสำรวจตัวเองเลยว่าเออใจสบายขึ้นจริงๆงโอโหสบายขึ้นนะแม้แต่เรื่องเนี่ยเรื่องอะไรอะ่ะที่หลับที่นอนเรื่องอาหารการกินพอคุณฝึกขึ้นมาแล้วอ้ยคุณสบายมีกินบ้างไม่มีกินบ้างก็ไม่ทุกข์อ่ะอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างไม่ทุกข์อ่ะถ้าคุณฝึกมาแล้วนะ แต่ถ้าคุณไม่ฝึกนะโอ้โหบอกละแค่เดินผ่านมาเห็นหน่อยก็โอ้โหวันนี้เดี๋ยวไปชมารอดีกว่าในวัดไม่ได้เรื่องเลยนะอาหารเอา้าแต่ถ้าคุณฝึกมาแนละ้วคุณจะวางใจได้นะทำไมพระเจ้าเนี่ยถึงบางทีให้ภิกษุเนี่ยท่านก็ฝึกนะที่ท่านมีทุดงควาสเนะีนะ่ยฉันแต่อาหารบินทบาทมาได้เงี้ย ท่านก็ฉันเฉพาะอาหารที่บินดบัตมาได้ท่านก็ฝึกเอามาให้ที่หลังไม่รับเลยนะโอ้โหเอาเฉพาะที่บิณดบัตได้นะได้มายัางไงได้มาแต่ข้าวเปล่าก็ฉันได้ข้าวเปล่า ว, ว่าได้มาแค่ข้าวท้าพีเดียวก็ฉันแค่นั้นนะ่ะถ้าพีเดียวแล้วก็พอหัดวางใจวันนี้มีแค่นี้ฉันอย่งแค่เนี้คือมันไม่ไปโหยหาไม่อะไรอาวร์ไม่ไปวิตก ไม่ไปกังวลไม่ไปห่วงอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยยังเป็นคารวาสอยู่เนี่ยถ้าไม่เข้ามาถึงระบบอาโศกเราที่เข้ามาถึงในวัดเนี่ยนะคุณยังมีบ้านมีช่องมีอะไรอยู่ทั่วๆไปคุณยังไงคุณก็หนีวิตกไม่ค่อยพ้นอะยังไงน้อยก็ต้องหาเงินทองไว้บ้างเดี๋ยวต้องไปเสียภาษีเสียค่านา้ําค่าไฟต้องไปเสียอะไรหนีไม่พ้นนะใช่ไหมยังไงก็ต้อง จำเป็นจะต้องคิดถ้าถ้าไม่ได้ไปมีบุญที่ไหนหล่นมาให้น ะ, ะถ้าโดยตัวเองแล้วคุณก็ต้องคิดจนได้หนีไม่พ้นเพราะว่าทุกอย่างในในโลกนี้ทั่วไปแล้วก็ว่ากันด้วยเงินเนี่ยใช่ไหมยิ่งคุณอยู่ในสังคมมีผู้คนมีอะไรหนีไม่พ้นเลยอ่าเพราะอานั้นแล้วเนี่ยนะอั น, นี้ฝากไว้นะให้พวกเราเป็นแง่คิด